ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมาขมโมปแปลเรื่องที่ยี่สิบเจ็ดอุปชาัยญาดิวัตวินิชยกถา ก, ากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของอุปชัยญาวัรเป็นต้นต่อ ก็วัดนี้แหละเรียกชื่อว่าอาจาริยวัดเพราะเป็นวัดที่อันเทวาสิทธประพฤตต่ออาจารย์จึงอยู่ในอุปชัยวัดและอาจาริยวัดนี้เพียงชื่อเท่านั้นเป็นความแตกต่างกันในวัดทั้งสองนั้นเมื่อสัตว์ที่วิหาริกและอันเทวาสิทธไม่ทําวัดเพียงยอมผ้าความเสื่อมย่อมมีแก่อุปชาและอาจารย์เพราะเหตุนั้นจึงเป็นอาบัติแก่ผู้ที่พ้นนิสัยก็ตาม หรือยังไม่พ้นก็ตามที่ไม่กระทําวัดนั้นเพราะฉะนั้นอันเวทวศิษหรือสัตธิหาริกลูกศิษย์ของอุปชาหรือว่าของอาจารย์ถ้าไม่กระทํากิจให้แม้กระทั่งย้อมผ้าเท่นั้นก็เป็นอบัตแล้วไม่ว่าจะพ้นนิสัยหรือไม่พ้นนิสัยก็ตามต้องทํากิจนี้การให้บาตแก่ภิกษุบางรูปเป็นอาบาัตแก่ภิกษุผู้ยังไม่พ้นนิสัยเท่านั้น ถ้ายังไม่พ้นิสัยแล้วไปให้บาตรไปรับบาตรของพิสุบารูปนี้ที่ไม่เป็นสภาคะหรือว่าเป็นวิสภากาแก่อุปชาอาจารย์นี้มีอาบัติเมื่ออุปัชาหรืออาจารย์ยินดีวัดอยู่สัจจิปิหาริกและอันเทวสิษแม้หลายรูปก็ตามย่อมเป็นอาบัติหมดทุกรูปก็คือถ้ายังยินดีในวัดอยู่แล้วก็ไม่ยอมประพฤติวัด<ม>ก็ตออาบัตหมดถ้าอุปัชาหรืออาจารย์กล่าวว่าผมมีอุปถากอยู่ พวกท่านจงทําการประกอบกิจมีการสาธยายและมนสษยการกรรมฐานเป็นต้นของตนเถิดดังนี้ไม่เป็นอาบัติแก่พวกสัตวิวิหาริกเตือนเทวศิษฐ์เป็นต้นถ้าอุปชาหรืออาจารย์ย่อมไม่รู้จักการยินดีหรือไม่ยินดีเป็นคนขา่าวในสัตวิวิหาริกเป็นต้นหลายรูปเหล่านั้นที่สู่รูปหนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยวัดกระทําให้เป็นภาระของตนอย่างนี้ว่า ผมจักทํากิจต่ออุปชาหรืออาจารย์เองพวกท่านจงเป็นผู้ขลขวายน้อยอยู่เถิดดังนี้ย่อมทําพิกจุนอกนี้ให้พ้นจากอาบัติได้ถ้าเกิดมีคนที่จะทำภาระว่าจะดูแลอุปชาหรือว่าอาจารย์เองพิจูรูปอื่นก็ภาคเทียนในการจศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปก็พ้นจากอาบัตได้ตั้งแต่การที่พิจุนั้นกระทําให้เป็นภาระไม่เป็นอาบัตแก่พวกสาศัยวิหาริสเป็นต้นเหล่านั้น ก็ในบรรดาอันเตวาสิกทั้งหลายเหล่านี้นิสยันเตวาสิกาพึงกระทาอาจาริยวัตรทั้งปวงตลอดเวลาที่ตนอาศัยอาจารย์อยู่ก็หมายถึงลูกศิกษย์ที่ขอนิสัยจากอาจารย์เนี่ยนะตราดใที่ยังถือนิสัยกับอาจารย์อยู่ก็จะต้องทำกิจทั้งปวงของอาจารย์นั้นตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ส่วนปรับพระชันเตวาสิกก็หมายถึง ลูกศิษย์ที่อาจารย์บวชเนนให้อุปสำประดานเตวาสิกก็หมายถึงลูกศิษย์ที่อุปชาเนี่ยบวชให้แล้วก็ทำ ม, มันเตวาสิกก็หมายถึงลูกศิษย์ที่มาขอเรียนธรรมไม่ได้ถึงนิสัยหรอกแต่ว่ามาขอเรียนธรรมแม้พ้นนิสัยไปแล้วพึงกระทําวัดทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนถึงย้อมจีวรจะพ้นนิสัยไปก็ควรจะต้องทํากิจนี้ แต่ว่าถ้าเป็นนิสยันเตวัสิคนี่จากใจที่ยังอาศัยอยู่ยังไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นยังมีการอาศัยข อ, อนิสัยกันอยู่ก็ต้องทําตลอดแต่ถ้าเกิดเป็นลูกติดที่ได้รับการบวชบวชเนนบวชพระหรือว่ามาเรียนทำขอ น, นิสัยไปแล้วก็ควรจะต้องกระทํากิจทั้งหลายมีการย้อมเจอวรเป็นต้นอันหนึ่งในวัดที่ไม่บอกอาจารย์ในวัตระข้อวัดที่ไม่บอกอาจารย์ก่อนให้บาสเป็นต้น ไม่เป็นอบัติแก่พิจุที่พ้นนิสัยแล้วเหล่านั้นพวกที่บวชพวกที่เป็นธรรมเตวาสิกนีนะไม่เป็นอบัติเมื่อพ้นนสัยแล้วนะถ้าไปให้บาปแก่คนอื่นในบรรดาอันเตวาสิกเหล่านั้นปะพระชันเตวาสิกและอุปสำปะดันเตวาสิกเป็นภาระของอาจารย์ตลอดชีวิตก็คือ อาจารย์กับอุปชาเนี่ยน ะ, ะต้องเป็นภาระตลอดเพราะว่าบวชขึ้นมาได้มาเป็นสามเณรหรือว่าเป็นพระภิกษุดได้ก็แปลว่าอาศัยอุปชากับอาจารย์นั้นเพราะนั้นก็ต้องเป็นภาระตลอดชีวิตเลยนิสยันเตวาสิกและธรรมันเตวาสิกธยังอยู่ในสำนักเพียงใดแม้อาจารย์และอุปชาพึงสงเคราะห์ อ, อันเตวาสิกและสัตจิหาริก พึงอนุเคราะห์ด้วยอุเทศปริษปุชชาโอวาและก็อนุสาสนีเพียงนั้นก็คือจะต้องดูแลจะต้องอนุเคราะห์แนะนําสั่งสอนตราบใดที่ยังอยู่ร่วมกันอยู่ถ้าอันเทวสิกและสัจิวิหาริกไม่มีบาจีวรหรือบริขารบางอย่างอื่นหรือบริขารต่งางๆอย่างอื่นเนี่ยอจจะเรกบาจีวรหรือว่าอจเร บริขานของตนมีก็ควรให้ปุชาจารย์ก็ควรจะต้อนุเคราะห์ด้วยบริขาร ต, ต่างๆถ้าไม่มีพึงตามความขวนขวายเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาโดยหน้าที่ประกอบด้วยธรรมแสวงหาโดยธรรมไม่ได้เรียบเคียงไม่ไปมีวิญญาตกับภู้ไมิชญาติไม่ใช่ปรนาถ้าอันเทวสิกยและสัตจจวิหาริกอาพานเพิ่งกระทําวัดทั้งปวงมีการให้ไม้ชําระปั่นเป็นต้นมีการตักน้ําใส่ในหม้อชําระเป็นที่สุด อลูกศิษย์ป่วยนี่ก็ต้องทําแมบเป็นลูกศิษย์เหมือนกันลูกศิษย์ทํากับอุปชาอย่างไรเวลาที่ลูกศิษย์ป่วยอุปชาอาจารย์ก็ต้องทำกับลูกศิษย์อย่างนั้นตามในที่กล่าวไว้แล้วในอุปชายวัรเมื่อไม่กระทํำก็เป็นอาบาัติกอาจารย์แต่ลูกศิษย์ป่วยอาจารย์ไม่ยอมดูแลลูกศิษย์นี่เป็นน้ำััดด้วยเพราะเหตุนั้นแม้อาจารย์และอุปชาก็ควรประพฤติวัดโดยชอบในอันเทวาศิกและสัตถิวิหาริกจึงอยู่ในอาจารย์และอุปชาเป็นต้น ผู้ใดไม่ประพฤติวัดโดยชอบเป็นอบัติแจผู้นั้นกระาว่าด้วยวัดมีอุปชายวัดเป็นต้นชนิแลอันนี้ก็เป็นอุปชัยวัดหรือว่าอาจารยวัดอันเดียวกันเทวตังกันโดยชื่อแต่ว่าข้อปฏิบัตินั้นเหมือนกันเลยสาธิวิหาริศวัดแล้วก็อันเทวศิริวัดก็เหมือนกันต่อไปนี้ผู้ศึกษาทุงทราบวัดมีอาคันตุกวัดเป็นต้นวัดของผู้ที่มาจากวัดอื่นมาเข้าสู่วัดนี้เป็นแขก จะต้องปฏิบัติอย่างไรไปสู่อาคันตุกะถึงที่ใกล้อุปจาราศีมาแล้วพึงถอดรองเท้าเคาะแล้วถือตำตาใช้ไม้คอนรองเท้าไปถ้ามีไม้ฟาไม้คอนไปจะต้องถือไปได้มือลดร่มเปิดศรีรษะในระหว่างทางก็อาจจะเอาจีวรกลุ่มศรีรษะมาก็ต้องเปิดศรีรษะแล้วก็ลดจีวรบนศรีรษะลงที่บา ถ้าเอาจีวรพาดไว้ที่ศีรษะก็เอาลดมาลงที่บาทหรือว่าถ้าเอาจีวรห่มคลุมศีรษะไปก็ห่มชูมงบาาได้แล้วถ้าเข้ามาในวัดไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปสู่อารามตามปกติเมื่อเข้าไปสู่อารามเพิงสังเกตว่าที่สุ่เจ้าถิ่นประชุมกันที่ไหนที่สุ่เจ้าถิ่นประชุมกันในที่ใดคือที่โรงฉานมณดบหรือที่โคนต้นไม้พึงไปในที่นั้น วางบาทไว้ท uhm ี่สมควรแห่งหนึ่งวาจิวรไว้ที่สมควรแห่งหนึ่งถือเอาอาสนะที่สมควรนั่งพึงถามถึงน้ำฉันพึงถามถึงน้ำใช้ว่าไหนน้ำฉันไหนน้ำใช้ถ้าต้องการน้ำฉันพึงตักน้ำฉันมาเดิมถ้าต้องการน้ำใช้พึงตักน้ำใช้มาล้างเท้าเมื่อล้างเท้าพึงรดด้วยมือข้างหนึ่งพึงล้างด้วยมืออีกข้างหนึ่ง ล้างเท้าด้วยมือข้างใดไม่พึงรถด้วยมือข้างนั้นอันนี้ก็เป็นความละเอียดก็ต้องมีสติสัมสัญญาในการที่จะประพฤติตามข้อวัดนี้รถด้วยมือข้างใดก็ไม่ถึงล้างเท้าด้วยมือข้างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวไปจับภายชนะไปจับขันไปจับอะไรก็จะเลอะเทอะไปด้วยพึงถามถึงผ้าเช็ดตรองเท้าจึงเช็ดตรองเท้าเมื่อจะเช็ดตรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดที่หลัง พึงซักผ้าเจตรองเทา้าบิดแล้วพึงไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก็ต้องดูแลรองเท้าด้วยทําให้สะอาดเพราะว่ามันเลอะเธอก็ไม่เหมาะสมถ้าพิกจุเจ้าขิ่นแก่พรรษาวกว่าพึงอภิวาทถ้าอ่อนพรรษาวกว่าพึงให้เธออภิวาทพึงถามถึงเสนาสานะว่าเสนาสานะไหนถึงแก่ผมพึงถามถึงเสนาสานะที่มีคนอยู่ครอบครองหรือเสนาสานะที่ไม่มีคนอยู่ครอบครองก็คือ กุติวิหารหรือว่าเสนาสนะนั้นที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยมีพระภิกษุอยู่หรือเปล่าเคยมีพระภิกษุอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องถามเพราะว่าถ้าเกินปล่อยให้รกร้างนานๆแล้วพวกสัตว์ ร, ร้ายพวกงูพวกอะไรต่างๆมันไปอยู่ก็ได้ดังนั้นก็ต้องระแวดระวังถามไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าถ้าพระภิกษุเพิ่งจะออกไปก็แสดงว่าสัตว์ ร, ร้ายต่างๆมันก็ยังไม่คงไม่เข้าไปอยู่หรอก หรือว่าเสนาสนะที่ไม่มีคนอยู่ครอบครองมีหรือไม่มีก็ต้องถามพึงถามถึงพิสาาจารย์อย่างนี้ว่าโคโจรคามอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลพึงเที่ยวไปบินตบาดเช้ า, ชาหรือสายพึงถามถึงอภโคจรก็คือที่ที่ไม่ควรจะเทีย่ยวไปพึงถามถึงโคจรที่ที่คว ร, ท, รที่จะเทีย่ยวไปบ้านของพวกมิชาทิฏิหรือบ้านที่เขากําหนดพิษาคือ ที่ใดขอถวายพิการแต่พิจารูปเดียวหรือว่าสองรูปชื่อว่าอภวรจอดมายถึงว่าไม่ควรไปพึงถามถึงตระกูลที่เป็นเศคารสมมุติหมายถึงผ้าหรืยบุคคลที่ยากจนสงสมมุติเอาไว้ลูก่าเพราะว่าที่นั้นไม่ควรแก่การไปบินตบานถ้าเขาไม่ได้นิมนต์พึงถามถึงที่ถ่ายอุจจาระพึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวพึงถ า, ถามถึงน้ําฉานและน้ําใช้อย่างนี้ว่า ทสุดทั้งลายย่อมดื่มน้ําที่ควรดื่มในส a b h a ขรณีนี้หรือใช้อาบเป็นต้นด้วยหรือดังนี้พึงถามถึงไม้เทา้าพึงถามถึงกติกาสองที่ตั้งไว้ในที่บางแห่งสัตว์ร้ายหรือพวกอมนุษย์มีอยู่เพราะฉะนั้นพึงถามว่าควรข้าเวลาเท่าไรควรออกเวลาเท่าไหร่ถ้าวิหารไม่มีคนอยู่ครอบครองพึงเคาะบานประตูรอสักคู่หนึ่งแล้ว ถอดริ่มผลักบานประตูยืนอยู่ข้างนอกแลดูให้ทั่วเพื่อจะมีสัตว์ร้ายมีงูมีอะไรออกมาถ้าวิหารนั้นรกหรือเตียงซ้อนอยู่บนเตียงหรือตั่งซ้อนอยู่บนตัง่งเสนาสะนะมีละอองจับอยู่เบื้องบนถ้าอยู่ได้หรือประสงค์จะอยู่พึงทำความสะอาดวิหารทั้งหมดเสียถ้าไม่อาจพึงปฏิบัติ ที่เป็นที่อยู่สําหรับตนก็พอก็คือถ้าเกิดมันกว้างขวางมากไม่สามารถจะทำความสะอาดได้ก็ทําเฉพาะที่ตนเองจะอยู่จะพักก็เมื่อจะทําความสะอาดวิหารทั้งหมดพึงนําผ้าปูพื้นเตียงและต่างเป็นต้นออกมาข้างนอกทําความสะอาดวิหารแล้วนํากลับเข้าไปปูไว้ในที่เดิมอีกตามในที่กล่าวไว้แล้วในอุปชัยวัดถ้าลมเจือทุดีพัดมาทางทิศตะวันออกก็พึงปิดหน้าต่างทางทิศตะวันออก ลมเจือทุดีพัดมาทางทิศ ต, ตะวันตกก็พึงปิดทางทิศ ต, ตะวันตกทางทิศเหนือทิศใต้ก็เหมือนกันพึงปิดหน้าต่างทางทิศนั้นถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างในกลางวันปิดในกลางคืนถ้าฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างในกลางวันเปิดในกลางคืนถ้าบริเวณตุ่มน้ําศาลาโรงฉันเรือนไฟวัดจักุดีรกพึงปัดกวาดเสียน้ําฉันน้ําใช้ไม่มีพึงนําเข้าไปตั้งไว้ น้ำในหม้อชมระไม่มีพึงตักน้ําใส่ไว้ในหม้อชมระอันนี้ชื่อว่าอาคันตุกะวัดชนีแลเพราะฉะนั้นอาคันตุกะวัดเมื่อเข้ามาอยู่ในเสนาสนะแล้วก็ต้องมีเสนาสนะวัดด้วยก็ต้องดูแลความสะอาดในจั่งซ่างต่อไปในอาวาสิกวัดวัดของเจ้าถิ่นที่จะต้องประพฤติต่ออาคันตุกะอาคันตุกะวัดนั้นก็หมายถึงว่าพระวัดที่เป็นของผู้ที่มาเยือน แต่ว่าวาสิกาวันี้ก็หมายถึงพิกษุที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่วัดมีอาการปะมาจะต้องกระพฤติอย่างไรมีนิยามดังนี้พิสูจเจ้าถิ่นเห็นพิสูุน์อาการปะผู้แก่กว่าพึงปูอาสนะให้พึงตั้งน้ําล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าพึงลุกรับบาจีวรพึงถามด้วยน้ําฉันก็เมื่อจะถามถ้าท่านดื่มน้ําฉัน ที่นำมาให้ครั้งเดียวหมดพึงถามท่านว่าจะให้ผมนำน้ามาให้อีกไหมขอรับพึงพัดแม้ด้วยพัดเมื่อจะพัดพึงพัดที่หลังเท้าครั้งหนึ่งกลางตัวครั้งหนึ่งศีรษะครั้งหนึ่งท่านกล่าวกับเธอว่าพอละครับพึงพัดให้เบาลงเมื่อท่านกล่าวอีกว่าพอลนะพึงพัดให้อ่อนลงกว่านั้นอีกเมื่อท่านกล่าวเป็นวาระที่สามว่าพอลนะพึงวางพัดเสีย ให้เจริญกุศลให้เต็มที่ถึงแม้ท่านจะห้ามก็ดูซิว่าท่านห้ามเป็นคเนียมหรือว่าห้ามจริงๆริเพราะฉะนั้นทำถึงสามครั้งถ้าท่านท้าจริงๆแล้วก็ให้วางพัดเสียพึงล้างเท้าของท่านครั้นล้างแล้วถ้าน้ํามันของตนมีพึงทาด้วยน้ํามันถ้าไม่มีพึงทาด้วยน้ํามันของท่านถ้าอุตสาหะอยู่พึงเช็ดรองเท้าอันนี้ก็ไม่ได้บังคับถ้าอุตสาหะก็ไปทําถ้าไม่อุตสาหะไม่ต้องทําไปทํากิจอย่างอื่น เมื่อจะเช็ดตรองเท้าพึงเอาผ้าแห้งเช็ดก่อนเอาผ้าเปียกเช็ดที่หลังพึงซักผ้าเช็ดตรองเท้าแล้วบิดพึงไว้ในที่สมควรแห่งหนึ่งอันนี้ก็หมายถึงที่สุกเจ้าถิ่นอ่อนกว่าอาคันตุกะอาคันตุกะเน่นแก่กว่าพิสูจเจ้าถิ่นพึงไหวอาคันดุก ะ, ก ะ, ก ะ, กะเพราะว่าพรรษาอ่อนกว่าพึงปูล่าเสนาสนะให้กล่าวว่าเสนาสนะนี้ย่อมถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสณะที่มีคนอยู่ครอบครองหรือไม่มีคนอยู่ครอบครองพึง บ, บอกถึงโคจรพึงบอกถึงอะโคจรที่ไปบินทะบาที่ไม่ควรเข้าไปพึงบอกถึงตะกูลที่เป็นเสกาสมมุติพึงบอกถึงที่ถ่ายอุจจาระพึงบอกถึงที่ถ่ายปัสสาวะพึงบอกน้ำฉานพึงบอกน้ำใช้พึงบอกไม้เท้าก็คือมีการสมมติไม้เท้าอะไรกันแค่ไหนพึงบอกกติกาของสองฆ์ที่ตั้งไว้ว่า ควรเข้าในเวลานี้ควรออกในเวลานี้ถ้าพระอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่าภิกษุเจ้าถิ่นนั่งอยู่ในที่นั้นนั่นแหลพึงบอกว่าเธอจงวางบาทในที่นี้จงวางจีวรในที่นี้นี้อาสนะจงนั่งเถิดพึงบอกน้ำฉันพึงบอกน้ำใช้พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้าพึงให้อาคันตุกะที่อ่อนภรรษากว่าอภิวา ทาาทิศู่ผู้เจ้าถิ่นแก่ปัญหาว่านั่งอยู่ในที่นั้นนั่นแลพึงบอกแม้เสนาสนะเป็นต้นแต่เมื่อทิกษุผู้แก่ปัญหาว่ามาพึงวางจีวรกรรมหรือนวกรรมทั้งปวงกระทําวัดเป็นต้นอย่างนี้ว่าพึงปูอานสนะให้เมื่อกําลังกวาดลานพระเจดีย์อยู่พึงเก็บไม้ป่าดเพื่อเริ่มกระทําวัดแก่ท่านอันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะที่ฉลาดจะกล่าวว่า กวัดนานพระเจดีก่อนเถิดครับก็เมื่อกําลังทําเพศตัแก่พิสุอาพาถ้าพิสุอาพาไม่ทุรนทุรายเกินไปนักพึงหยุดการทําเพศตัดกระทําวัดเถิดแต่สําหรับพิกสุผู้อาพาธหนะักต้องทํายากรถ้าพระอาการตุกตาเป็นผู้ชาราจะกล่าวว่าคุณจงทําเพศตัก่อนเถิดครับดังนี้ชื่อว่าอาวาสิกะวัดชนีแหลอันนี้ก็เป็นวัดของพิกษุเจ้าทินที่อยู่ในอาวา จะต้องทํากับพิสูจน์อคติกะไม่ทําไม่เอื้อเฟื้อก็มีอบัตในคำมิกวัตดหมายถึงพิสูจนที่เตรียมตัวจะเดินทางออกจากวัดนี้แล้วมีดังต่อไปนี้พิสูจผู้จะเดินทางพึงเก็บงํำเครื่องไม้มีเตียงและต่างเป็นต้นแม้เครื่องดินมีภาชนะน้ําย้อมเป็นต้นทั้งปวงไว้ที่เรือนไฟหรือในที่มีการคุ้มครองอื่นปิดประตูหน้าต่างบอพื้นเสนาสนะ แล้วจึงหลีกไปถ้าไม่มีพิกตุพึงบอกแก่สามเณรถ้าสามเณรไม่มีพึงบอกแก่คนผู้ทําการวัดถ้าคนผู้ทําการวัดไม่มีก็พึงบอกแก่อุบาสกถ้าพิกตุสามเณรคนทําการวัดหรืออุบาสกไม่มีพึงวางเตียงบนหินสีก้อนยกเตียงซ้อนเตียงยกตั้งซ้อนตั้งแล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องดินปิดประตูและหน้าต่างแล้วจึงหลีกไป ถ้าวิหารรั่วถ้าอุตสาหะอยู่พึงมุงเสียทั้งหมดหรือพึงทำความขนขววยาว่าทำอย่างไรหนอจะได้มุงวิหารถ้าได้ตามความนขนไหา ย, ย่างนี้นั้นเป็นการดีถ้าไม่ได้ที่ใดไม่รัว่วพึงยกเตียงขึ้นวางบนหินสีก้อนในที่นั้นแลพึงยกเตียงซ้อนเตียงยกตั้งซ้อนตัง้งแล้วกองสสนาสนะไว้ข้างบนเก็บงาเครื่องไม้เครื่องดิน ปิดประตูและหน้าต่างแล้วจึงหลีกไปอันนี้ก็เพื่อป้องกันตัวเพราะตัวเนี่ยมีมากดันก็ยกเตียงตั้งไปวางบนก้อนหินสีก้อนตัวกจะได้ไม่ขึ้นถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่งถ้าอุตสาหะอยู่พึงคนเสนาสนะเข้าบ้านหรือพึ่งทําขนายว่าจะขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้านได้อย่างไรถ้าได้ตามที่นขนไควอย่างนี้นั่นก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ พึงยกเตียงขึ้นวางบนก้อนหินสี่ก้อนในที่แจ่มแล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียงยกต่างซ้อนต่างกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้เครื่องดินแล้วกลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้แล้วจึงหลีกไปด้วยคิดว่าส่วนของเตียงต่างคงจะเหลืออยู่บ้างนี้เป็นคำนิกรวัตชนิดแลคือถ้าเหลืออยู่พิสุรูปดังเนี่ยมาจะมาทําเสนาสนะอยู่ก็จะได้มีเครื่องไม้เครื่องดินเหลืออยู่บ้างนะ ต่อไปเป็นพัตตขวัตรวัดในโรงฉันโรงฉันนี้ปกติก็จะอยู่ในระแวกบ้านด้วยมีเนื้อความดังต่อไปนี้ถ้าพัตตุเทศบอกพัตการก็คือเวลาที่จะฉันอาหารหรือว่าเวลาที่จะรับพัตในอารามภิกษุเมื่อปกติป ร, ริมณฑลสามพึงนุ่งให้เป็นป ร, ริมณฑลข้าประกศเอวโมผ้าสังคติสองชั้นกลัดลูกดุม ล้างบาทแล้วถือเอาบาทเข้าไปบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อนไม่พึงเดินแต่งหน้าพระเถระทั้งหลายพึงปกปิดกายด้วยดีสัมรวมด้วยดีมีตาทอดลงมีเสียงน้อยเข้าไปในแวกบ้านอย่าเวริรกผ้าอย่าส่งเสียงดังไปในระแวกบ้านอย่ายโยกกายอย่าไป แ, แขนอย่าโกรธศีรษะไปในระแวกบ้านอย่าค้ํากายอย่ากลุ้มศีรษะอย่าเดินกระโยงไปในระแวกบ้าน นี่ก็เป็นข้อวัดในเสกียวัตที่จะต้องนํามาปฏิบัติด้วยพึงปกปิดกายด้วยดีสํารวมดีมีตาทอดลงมีเสียงน้อยเข้าไปนั่งในระแวกบ้านอย่าพึงเวกผ้าอย่าส่งเสียงดังในระแวกบ้านอย่าพึงโยกกายอย่าไกวแขนอย่าตรงศีรษะนั่งในระแวกบ้านอย่าค้ามตายอย่ารวมศีรษะนั่งรักเข่านั่งรักเข่าก็ไม่ได้นั่งในระแวกบ้านเนี่ย อย่านั่งเบียดเสียดพิจูพุทธเถระถ้าอาสนะเสมอกับอาสนะที่พระมหาเถระนั่งมีอยู่เมื่ออาสนะมีมากพึงนั่งเว้นไว้หนึ่งถึงสองอาสนะนะอย่าไปนั่งใกล้คิดพระเถระถ้ามีอาสนะมากๆก็ให้เว้นไว้ที่หนึ่งหรือว่าสองที่ไม่พึงนั่งบนอาสนะที่เขานับจํานวนพิกษุแล้วปูราดไว้ถ้าเขานับจํานวนพิกษุแล้วก็ จำนวนครบถ้วนของเขาอยากไปนั่งอย่างนั้นเพราะว่าดีโอวจะเกินเมื่อพระมหาเทระาล่าวว่าจงนั่งเถิดพึงนั่งถ้าพระมหาเทระไม่กล่าวพึงเรียนว่าอาสนะนี้สูงครับเมื่อพระเทระกล่าวว่าจงนั่งเถิดพึงนั่งก็ท้าว่าเมื่อพิสุทธินวการเรียนแล้วอย่างนั้นพระมหาเทร่าไม่อนุญาตไม่เป็นอาบัติแก่เธอผู้นั่งเป็นอาบัติแก่พระมหาเทระเท่านั้น อันน้ก็คือพระมหาเถระก็เกียดกันอัสนะทิ่สูใหม่ซึ่งที่สูใหม่ก็ควรจะนั่งเว้นอาสนะหนึ่งสองอาสนะไว้ถ้ามีอาสนะมากสําหรับทิ่สูมากๆเนี่ยจริงอยู่ทิกษุใหม่ไม่บอกก่อนนั่งบนอาสนะเอนปานนั้นย่อมต้องอบัติก็คือถ้าไม่บอกกล่าวก่อนไปนั่งอาสนะชิดกับพระเถระเนี่ยมีอบับดับเหมือนพระเถระอันทิ่ส่วนนักกะเรียนแล้วไม่อนุญาตเช่นั้น คือถ้าเรแล้วถ้าเสียดาไม่อนุญาตก็มีอบัตเหมือนกันแต่ถ้าไปสุไม่บอ ก, ก่อนและนั่งอาสนะที่ใกล้ชิดกันอย่างนั้นก็มีอบัตเหมือนกันไม่พึงกีดกันที่จุดนวัตกรรมในอาสนะอย่านั่งทับสังขติในละแวกบ้านข้อนี้ก็มีปัญหาว่าทําไมเพราะอะไรจึงไม่ให้นั่งทับสังขติในละแวกบ้านก็ว่ามันทําให้ไม่กระชับกระเฉงหรือไงหรือว่าสังขติมันเบาบางมากกลัวจะชํารุด อันนี้ก็ไม่ได้แสดงเหตุผลไว้เมื่อเขาถวายน้ําล้างบาทพึงเอามือทั้งสองประคองบาทรับน้ําแต่พึงวางบาทบนเชิงรองบาทข้างหน้ารับน้ําทักศิโนโทกพึงล้างบาทถือตำตามอย่าให้มีเสียงน้ําอย่าให้กระทบถ้ามีกระโถนพึงค่อยๆเทน้ําลงในกระถน r ด้วยคิดว่ากระถนอย่าเลอะเทอะด้วยน้ำที่ตูบใกล้เคียงอย่าถูกน้ํากระเซน็นผ้าสังคติอย่าถูกน้ํากระเซน็น น, นี่ก็ต้องตั้งใจไว้แล้วก็ค่อยๆเทน้ํำลงไปในกระโถนถ้ากระโถนไม่มีพึงค่อยๆเทน้ําลงที่พื้นดินนึกคิดว่าพ่สูกใกล้เคียงอย่าถูกน้ํากระเซน็นผ้าสังคติอย่าถูกน้ํากระเซน็นเมื่อเขาถวายผ้าสุกพึงเอามือทั้งสองประคองบาดรับข้าสุกโอกาสแห่งแกงจะมีอย่างใดพึงรับข้าสุกพอประมาณอย่างนั้นถ้ามีเนยใสย่น้ํามันหรือว่าแกง อ, อม พระเถระควรบอกว่าจงจัดถวายพิจุทั้งหลายเท่าเท่ากันทุกรูปพระเถระก็ต้องบอกด้วยนะคําว่าจงถวายให้เท่าเท่ากันนี้อันพระเถระพึงกล่าวในเนยใสเป็นต้นอย่างเดียวหาไม่ได้แม้ในข้าวสุกก็พึงกล่าวก็บรรดาเภสัชมีเนยใสเป็นต้นสิ่งใดมีน้อยสมควรแก่พิกจุรูปเดียวหรือสองรูปเมื่อพระเถระกล่าวว่าท่านจงให้ทั่วถึงเท่าเท่ากัน กายที่ตุดทั้งหลายความลําบากย่อมมีแก่พวกชาวบ้านเพราะฉะนั้นของเช่นนั้นพึงรับครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งแล้วที่เหลือไม่ควรรับถ้ามันมีน้อยก็รับนิดหน่อยแล้วก็ให้ไปแบ่งปันคนอื่นพึงรับบินทบาทโดยคารพมีความสําคัญในบาทรับบินทบาทก็คือแลน ด, ดูอยู่ในบาทจะไปมองหน้าทายกพึงรับบินทบาทพอสมกับแกงพึงรับบินทบาทพอเสมอคอปากบาท พระเถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าเข้าวสุกจะทั่วถึงการทุกรูปันี้ก็เป็นมรารยาทพระเถระก็ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยก็คืออย่าพึ่งฉันก่อนต้องให้เขาประเคนหรือว่าอังคาดแก่พระภิกจุทุกรูปแล้วให้ฉันคําว่าพระเถระไม่พึงฉันก่อนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาโรงเลี้ยงที่มีพิกจุอันทายกจํากัดไว้หมายถึงว่านิมนต์มาจํากัดสิบรูปยี่สิบรูป และโรงเลี้ยงที่ชนทั้งหลายผู้ประสงค์จะให้อาหารถึงแก่ภิกษุทั่วกันแล้วจึงว่าส่วนโรงเลี้ยงใดเป็นโรงเลี้ยงใหญ่คือในโรงเลี้ยงใดภิกษุทั้งหลายชันอยู่ในที่หนึ่งทายกถวายน้ำให้ที่หนึ่งในโรงเลี้ยงนั้นพึงชันได้ตามสบายถ้ามีทระสุขห้าร้อยพันหนึ่ ง, ง, 500, 000, งอันนี้ก็ไม่ต้องรอแนละ้วพึงฉั น, นดินธบารโดยคารบ พึงมีความสําคัญในบาชันบินทบาทขณะที่ฉันก็แลดูอยาดีบาตจะไปมองที่โน้นที่นี้พึงชันบินทบาตรตามลําดับพึงชันบินทบาตรพอสมกับแกงไม่พึงชันบินทบาตรขยุ้มแต่ยอดลงไปสหมือนก้องก็ใช้มือเพราะนั้นก็ขยุ่มลงไปขยุ่มลงไปเป็นหลุมนีม่ก็ไม่เหมาะสมไม่พึงกลบแกงหรือกัดด้วยข้าวสุกราะอยากได้มากไม่อาาพาดไม่พึงขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน ไม่พึงแลดูบาตของที่ตัวเหล่าอื่นด้วยหมายจะยกโทษไม่พึงทำคำข้าวให้ใหญ่นักพึงทำคำข้าวให้กลมๆเมื่อคำข้าวยังไม่นำมาถึงปากไม่ถึงอ้าปากกําลังฉันไม่พึงสอดมือทั้งหมดเข้าในปากปากมีคำข้าวอยู่ไม่พึงพูดไม่พึงฉันดอกคาข้าวไม่พึงฉันกัดคำข้าวไม่พึงทำกระพุ้งแก้มให้ตุยไม่พึงฉันสลัดมือไม่พึงฉันทำมาได้่าตก ไม่พึงฉันแลบเล้นไม่พึงฉันทำเสียงดังจับเจ้าไม่พึงฉันทำเสียงดังซุดซุดไม่พึงฉันเลียมือไม่พึงฉันพอดบาดไม่พึงฉันเลียริมฝีปากอันนี้ก็เป็นเรื่องของเสกียวัฒน์เหมือนกันโพชนาปฏิสังยุตต์ก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติในขณะที่ฉันอยู่ในโรงเลี้ยงโรงพัดไม่พึงรับโอน้ำเล่นมือที่เปื้อนอา m ิ t h พระเถระไม่พึงรับน้ํำล้างมือก่อนจนกว่าพิจตุถลายจะฉันเสร็จ นี้ก็เป็นมารยาธทธรรมเนียมว่าควรจะต้องพร้อมเพียงกันถ้ามนุษย์ตั้งหลายกล่าวว่านิมนต์ล้างบาศและมือเถิดครับหรือพิสูจน์ตั้งหลายกล่าวว่าท่านจงรับน้ําเถิดถ้านเทระจะรับก็ควรเมื่อเขาถวายน้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาศรับน้ําพึงค่อยๆล้างบาศอย่าให้มีเสียงน้ําอย่าให้กระทบถ้ามีกระถ or พึงค่อยๆเทน้ําลงในกระโถน r ด้วยตั้งใจว่า กระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน้ำพวกพิสูุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็นผ้าสังคติอย่าถูกน้ำกระเซ็นถ้าไม่มีกระโถนพึงค่อยๆเทน้ำลงดินด้วยตั้งใจว่าพวกพิกูุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็นผ้าสังคติอย่าถูกน้ำกระเซ็นไม่พึงเทน้ำล้างบาต ท, ที่มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้านเมื่อพิกูจทั้งหลายลุกขึ้นจากโรงฉันแล้วปลับ ที่สุดนวกะพึงกลับก่อนเพราะว่าอยู่หน้าประตูนะเวลาเข้ า, ขาพระเถระเข้ามาก่อนนวกะก็อยู่ที่หลังประตูอยู่ที่ตรงประตูนั้นเวลากลับก็พระนวกะก็กลับออกไปก่อนถ้เาเถระพึงกลับที่หลังจึงอยู่ในเรือนที่แคบไม่มีโอกาสที่พระเถระออกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จ, าจึงตรัสอย่างนั้นแต่ได้เกิดมีประตูหลายประตู แล้วก็ประตูอันนึงก็ใกล้พระเถระพระเถระก็ออกประตูนั้นเลยก็ได้ท่านวกกะก็ตามไปก็นนวกกะทิกตูทั้งหลายผู้กรับอยู่อย่างนั้นรออยู่ที่ประตูเดือนพึงไปตามลำดับกันได้ถ้าพระเถระออกมาที่หลังแล้วก็ท่านวกกะก็รออยู่ที่ประตูแล้วก็ไปพร้อมกันในเมื่อพระเถระทั้งหลายออกอยู่แต่ถ้าพระมหาเถระทั้งหลายเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ประตู พวกนวกะนั่งอยู่ภายในเรือนพึ่งออกตามลำดับตั้งแต่เถระอาอดลงมาทีเดียวอย่าให้กายกับกายเบียดเสียดกันเดินห่างกันพอให้ชนทั้งหลายอาจไปในระหว่างได้พระสังฆเถรพึงอนุโมทนาในโรงฉันภิกษุที่เหลือไม่พึงไปโดยละพระสังฆเถรคือไม่ควรจะทิ้งพระเถรอยู่ลำพังนั้นไว้รูปเดียวเพราะมีพระบาลีว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พระเถระเป็นผู้อนุโมทนาในโรงฉันแต่ก็เกิดเรื่องอยูน่นะเพราะว่าพระวิสุก็กลับก่อนพระเถระก็กลับองค์เดียวเริ่มต้นก็คือภาษาริบุตรเนยแห ล, ละกลับมาองเดียวภายหลังภายหลังพระพุทธเจ้าก็เลยให้อนุญาตพระวิสุสามรูปสี่รูปอยู่เป็นเพื่อนได้ซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาเอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุ ก, การแด่ท่านผู้ที่ มีศรัทธาในการได้ยินได้ฟังพระวินัยเป็นผู้ใขใน ใ, ในการทีศึกษาทรงคําสอนของรำำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อำนํามาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ผลแห่งการปฏิบัตินั้ น, นใจนเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ประสบกับความสุขวอนการเจริญกุศลทั้งหลายท่านประสบกับความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยอบรมใจศีรษาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมกระทาตนให้พ้นจากวัตทุกขโดยทั่วกันสาธุสาธุสาธุ